สากายานุปัสสนาวงเล็บเปิดยีมกราคม2551ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดการจะดูกายอย่างมีคุณภาพต้องทําสมาธิก่อนฉะนั้นบางคนซึ่งมีจริตนิสยัยรักสุขรักสบายรักสวยรักงามที่จะต้องดูกายพวกนี้ควรทําสมาธิก่อนเพราะฉะนั้นการทํากรรมฐานนะกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนา สองอย่างนี้เหมาะสมกับสมถะยานิกพวกเรารุ่นหลังๆ ห, หลายคนเจริญกายานุปัสสนาไปยืนเดินนั่งนอนแล้วคอยรู้สึกรู้สึกทำสมาธิไปโดยไม่ได้ฝึกสมาธิมีศีลสิกขาแต่กระโดดข้ามจิตสิกขาไปเจริญปัญญาสิกขารวดเดียวเลยไม่มีคุณภาพจริงจิตไม่มีกําลังพอที่จะรู้กายจนเห็นความจริงของรูปเห็นได้แต่ร่างกายแต่ไม่เห็นรูปร่างกายกับรูปไม่เหมือนกันเห็นแต่ร่างกายคือเพ่งอวัยวะต่างๆ เพ่งท้องเพ่งเท้าเพ่งมือเพ่งลมหายใจหรือเพ่งร่างกายทั้งร่างกายนี่ไม่ใช่วิปัสนาแต่เป็นสมถะแต่ถ้าทำสมาธิมาพอจนใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วถึงจะมาเจริญกายานุปัสนาได้ดีจึงจะมองทะลุอวัยวะต่างๆมองทะลุกายเข้าไปเห็นรูปตัวจริงรูปกับอวัยวะคนละตัวกันอย่างขนผมเล็บฟันหนังอะไรนี่เป็นบัญญัติทั้งหมดเลยไม่ใช่ตัวสภาวะแท้แท สภาวะแท้ๆคือธาตุธาตุดินน้ำลมไฟฉะนั้นกว่าจะมองไปเห็นธาตุไม่ใช่เรื่องง่ายหลายคนก็มักง่ายไปนิดหนึ่งอยู่ๆก็จะไปเดินจงกรมไปดูรูปถ้าจิตไม่มีกําลังพอไม่เห็นรูปหรอกมันจะเห็นแต่ร่างกายเห็นแต่อวัยวะแต่ถ้าคนไหนทําสมาธิไม่ได้ก็มีวิธีอื่นอีกก็คือการดูจิตจิตตานุปัสสนาเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกเหมาะกับคนที่ทําชานไม่ได้ พระอภิธรรมสอนนะสอนเอาไว้ละเอียดมากน่าอัศจรรย์นะธรรมะสอนเอาไว้ละเอียดละอ่ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าที่ท่านสอนก็คือคนที่รักษาเอาไว้รักษาเอาไว้ได้อย่างไรน่าทึ่งนะรักษาเอาไว้ได้